ระหว่นงนี้่านมาก็จะได้สแสดงธรรมเป็นปสำนวนชนิดคาถาตอนนี้เรามาพร้อมกันออกเพื่อร่วมทำพิธีบตรจุอัฐิของหลวงพ่อคุณเทียนซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่เราทักถือคุณพ่อได้มารับหน้าทาไปหลายเดือนแล้วแต่ว่าหน้าที่ที่เราจะต้องทำกับสิริราชหลวงพ่อก็ยังไม่ครบเพือพ่อนสองปู วันนี้ก็จะิบายามจิตต่อเจ้าเล่ห์ของหลวงพอในขั้สุดท้ายก็ว่าได้ก็คือว่าบรรจุอภิภาของหลวงพ่อลงอใต้สาวกโสดใกลใกล้เป็นกางที่หลงพ่อได้ฝากความไว้กันตอนที่หรวงพ่อได้มาบรภาขขพท่านได้ระบุวไว้อย่างชัดเจนว่าอภิถาของหลวพ่อส่วนหนึ่งก็ให บรรจุไว้ใต้ต้นจานหน้าสาราน้ำใสขึ้นลูกส้าทูกคาก็ได้ปฏิบัติตามที่ท่านได้ระูุเอาไว้ทันทีหลังจากที่ได้มีการมาปรงสิรักหลวงพ่อเพื่อวันที่หกเช้าที่จก็มาบรรจุใต้ต้นจานหลวงพ่อมีความประสงค์ที่จะให้พิธีกรรมหรือพิธีการเกรริดหลวงพ่อเป็นเรื่องนี้ ไม่ยุ่งยากครับซ้อนแล้วก็ไม่พุ่งเปรย์ท่านก็เห็นว่าไม่จด้เป็นต้องสร้างเจดียนะ์อะไรให้ใหญ่โตนะเพื่อบรรจุอัฐิท่าของท่านแค่มาเก็บไว้หรือว่าฝังไว้ใต้พุ่มจันทร์ก็เพียงพอแล้วอีกส่วนก็ไปบรรจุต้งข้างอัฐิโพเทียนที่นาฮิโตนะ้ใต้กรงล้อธรรมาจักร ตอนนั้นก็มีอภิชาตของนาย่าญโยนะอดต้องพ่อสะเทียงแล้ต่อไปก็ยัเป็นอภิชิตของธรมาด้วยหวงพ่ท่านได้บอกเอไว้แล้วว่าไม่ต้องไปไว้ไหนไว้ตรงนี้แหะนะก็เป็นที่รู้กันว่าติดไม้ปลายทางของไรรมานีอยู่ไหนถือไม่ได้มีการทําะนรพิเศษนะท่านก็อยากจะให้อภิชิตของท่านได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นันคือหลวงพ่อผหวดเทียนแล้วก็ได้อยู่ใกล้กับลูกศิ์ลูกสา ท่านที่รับไปแล้วก่อนหน้านั้นแล้วก็ท่านที่จะรับจากท่านไปไม่มีการทําอะไรเป็นพิเศษเฉพาะตจาตรงของพ่อและที่หลวงพ่อระบุให้อาติชาของท่านมาอยู่ใต้ต้นใจฝั ง, จงไว้ใต้ต้นใจก็เพื่อจะได้กลับคืนสู่ธรรมชาติจะได้กลับคืนเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้คนเราก็มาจากธรรมชาติอาหารที่เรากินเลี้ยงดูชีวิเราก็โดยลักกมาจากธรรมชาติแล้วก็เมื่อเราตาย เราก็คือสู่ธรรมชาติและเมื่อเราคือสู่ธรรมชาติมันก็เข้าเข้ากับว่าใครช่วยหล่าเลี้ยงธรรมชาติด้วยเพราะว่าตับคืนไปเป็นปุ๋ยก็ช่วยบำรุงเลี้ยต้นไม้อย่างต้นตาลต้นนี้ก็คงจะมีบางส่วนของพ่ออยู่ในนั้นและก็คงมีต้นไม้หลายต้นที่ได้มีส่วนของพ่อด้วยก็เรียกว่าคือสู่ธรรมชาติแล้วก็ทำความสมบูรให้กล e ับไธรรมชาติ ที่จริงอชีพของหลวงพ่อท่านก็ทิเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติมาดยตลอดโดยพรหลังจากที่หลวงพ่อท่านได้ก่อใจธรรมะท่านก็เกิดความรักธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็อุทิศตนนะเพื่อการรักษาธรรมชาติหที่หลวงพ่อท่านได้ย้ายมาักหลึกอยู่บนน้ำเขาทาตัปีห่งเก้าสองศในขณะที่รู้ิษหาของหลวงพ่อเตยสนใ่ก็อยู่ในเมืองนี้ว่าจะใชเมือง ทำงานเพื่อไทยามากกับคนในเมืองหลวพ่อท่านก็นเลือกที่จะมาปางปราบอยู่บนหลังเขาไกลจากผู้ไกลจากเมืองส่วนก็เพือ่ออรับธรรมชาติอีกส่วนก็เพื่อได้สอนญาติโยมที่ไกลวัดไกลบ้านไกลเมืองก็คือพวกเราหรือว่าพ่อพ่อผลิตของเรานี่ยแหละพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราที่มานั่งอยู่ตรนี้หลพ่อท่านก็เอกจะาชาวไ เขตกำได้ถ้าเชื่อมท่านนอกจากการอนรักธรรมชาติแล้วกเพื่อการเผยแผ่ธรรมะชีวิตของหลวงพ่อก็เป็นไปเพื่อธรมมธรมะและธรรมชาติและเมื่อท่านสวดนะก็สอนธรรมให้กับพวกเราจนถึงขั้นสุดท้ายท่านก็รักษาขันไปอย่างสงบไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุรน ท, นทนรายเนการสอนธรรมให้กับเราว่าแม้แต่เจ็บแม้จะป่วยแม้จะต้องตายมันก็ทุกข์แต่กาย แต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็ทาได้เมื่อเราก็ใจธรรมะเมื่อเราก็สังขารธรรมะทั้งชีวิตของท่านาก็แต่อยู่ป่วยแล้วก็ตายจะเป็นไปเพื่อธรรมะให้ธรรมชาติรุ่นรุ่เป็นท่านเมื่อล่าช้าช้าไก็ก็อยากใ่้นก็อยาได้ให้อติธาของท่านได้ไปสู่ย์ธรรมชาติคือใต้ต้นจาตาก็กลับคืนไปสู่ต้นไม้ใบได้าแต่ว่าลูกศิษก็ยังอยากจะให้ คุพ่อของเสียนเป็นเครื่องเตือนใจแห่งคูณงามความดีของท่านก็เลยอยากจะทํำที่หมายให้ชัดเจนว่าตรงนี้ะนะคือที่ที่บรรจุอัศจรรย์ของท่านจึมีความเห็นว่าะจะทําสากระสบตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเป็นนิมิตเป็นเครื่องระบุเป็นเครื่องหมายว่าสิริรชสมบูรณพ่ออยู่ตรงนี้เพื่อที่รูกสิตรูกหา จะได้มาสักการะจะได้มาแต่ว่าหลวงพ่อก็คงจะไม่อยากจะให้พวกเรามาสักการะบูชาตัวท่านเป็นการส่วนตัวตถ้าจะมาก็มาสักการะและบูชาธรรมะธรรมะที่หลวงพ่อได้สอนหรือธรรมะที่ทําให้หลวงพ่อได้พ้นจากความทุกข์อันนี้สําคัญกว่าเพราพวกเราอยู่กับหลวงพ่อมาคุ้นชินรู้หลวงพ่อท่านในประอยเน้นเรื่องตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าต้องการจะให้เราเนี่ยได้ เข้าใจธรรมะที่ท่านปฏิบัติเข้าใจธรรมะที่ทําให้ท่านเป็นอย่างที่เป็นอยู่ซึ่งวก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สอนเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้เรียนรู้จาการจัดการทีปฏิบัติด้วยการความเป็นโทนาที่ตรงนี้ที่มี่ท้าวโสตั้งอยู่ตรงนี้ก็คอยเราได้ถนัดว่าตรงนี้เป็นที่ที่จะเตือนให้เราแล้วเรื่อยถึงคําสอนของหลวงพ่อไม่ใช่แค่ถึงหลวงพ่อท่านั้น การที่ถึงหพ่ก็ดีแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอต้องนึกถึงธรรมะที่ท่านสอนธรรมะที่ท่านได้สแสดงทั้งเกิดความคู่ทั้เกิดการทำให้รู้ทั้งเกิดการทําให้ด้เห็นแล้วก็เห็นให้เราสัมผัสได้เมื่ใดมาเห็นสาวโสดหอคนจางจนนีราภัยเนี่ยก็ถึงคําสอนและการปฏิบัติของหลวงพ่อสิบางคนก็จะเกิดที่แบบเราก็จะเข้าใว่าเราได้ใกล้ชิด หลวงพ่ออย่งแท้จริงเห็นท่เห็นตัวเห็นท่เห็นหน้าหรือไม่จับจับชายจวรก็ยังไม่ได้ว่าเห็นหลุงพ่อนะหรือวที่พรเจ้าไปตัดวงเ่าว่ารีบว่าไงม้เคยจับชายจีวรของเราก็ไม่เชื่อว่าห็นงพ่แจ่เห็นพระเจ้าได้ก็เลยต้องเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาบันถ้าฉะนได้ถ้าฉนันนันเราจะเห็นหลุงพ่อได้ก็ต่อเมื่อเราได้เห็นธรรมหรือว่าร ทำที่ก็ได้สองแล้วเมื่อเรามาตักพระบูชาหลวงพ่อที่สาวสมนี้ในวันหน้านะก็ขอให้เด็กญีุ่่นทำที่หลวงพ่อได้แสดงซึ่งก็ได้สรุปนะเป็นข้อพ่อไวนะ้นตรงตรงแผ่นกระดานนะ้นที่จะปิดอธิบุรุษพ่อไว้นะเช่นเห็นทุกข็ทนทะุกไม่เป็นอะไรกับอะไรหรือที่ท่านสอนสมมตว่ารู้ซื่เอเห็นให้เป็นเป็น อันนี้ละคือสรุปรวบยอดความสามูพ่อทั้งวิธีการปฏิบัติแล้วก็ผลของการปฏิบัติด้วยก็คือว่าถ้าเรารู้ซื่อๆเห็นไม่ก็เป็นเห็นอะไรเห็นกายเห็นใจความที่เป็นจริงเห็นความที่เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจความที่เป็นจริงรวมทั้งเห็นทุกทุกที่เกิดขึ้นกับกายทุกที่เกิดขึ้นกับใจแต่ถ้าเราเห็นไม่ก็เป็นพุกเร่องหลักที่จะแสดงทำให้เราเห็น แสดงทำอะไรนะก็คืออันนี้จังคู ข, ขังหน้าตาเมื่อให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่กับอะไรทั้งสิ้นเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือม่น ก, กับอะไรสิ่งที่เจอคือไม่เป็นอะไรกับอะไรนะไม่เป็นผู้โกรธไม่เป็นผู้ทุกข์ไม่เป็นผู้ปวดและในยาเยมเจ็บยามป่วยนะมันก็ปวดใจกายใจไม่ปว่วยด้วยเพราะว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรก็เลยว่าแม้เจอทุกนะแต่ว่าติกก็รทุกได้อันนี้แหละคือคือสมบัติล้ำค่า หลวงพ่อได้มอบหมายกับเราและเราก็ควรจะน้อมรักทุกครั้งที่ได้เริ่มนึกถึงหลวงพ่อถ้าเรามีรูปหลวงพ่ออยู่ในบ้านหรือแม้แต่มีอัตติขหลวงพ่อมีอังคารมีภาพขอหลวงพ่ออยู่ในบ้านแต่เราเไื่รู้จักเห็นมัวแต่เข้าไปเป็นหรือว่าเราไม่ปฏิบัติไม่รู้จักดูกดกใจดูใจอยู่กับความหลงไม่มีความรู้สึกตัวก็ถือว่าสิ่งที่เรามี อั่นเลยค่ะอัธิอังคาหรือธาตุหลวงพ่อนะมันก็ไร้ประโยชน์ถ้าหากว่าไม่เกอนให้เราได้เห็นถึงธรรมะหรือกระตุ้นเกอนให้เราทำความเพียรเพื่อจะได้เข้าถึงธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้สอนหรืออย่างที่หลวงพ่อได้เข้าถึงนันนี้เป็นหน้าที่นะของพวกเราซึ่งเป็นลกศิษย์เราไม่ควรจะทำหน้าที่แต่เฉพาะสิริราหลวงพ่อ สรีระของหลวงพ่อเนีก็เป็นศักด์แต่ว่าธาตุนะซึ่งก็ต้องเสื่มสลายไปตามธรรมชาติและไม่ช่วยเหลือพ้นผู้ไปเลยแต่ว่าสิ่งที่ช่วยเหลือพ้นทู้ได้คือความสอนอิทธิภาวะของท่านและนี่เป็นหน้าที่ที่เป็นหน้าที่ที่เราต้องทานะคือหน้าที่ตอบธรรมะที่ท่านได้สอนได้แสดงและปฏิชีพนะเพื่อพวกเราเพื่อพระศาสนาหน้าที่ตอบสรีระของหลวงพ่อกาลังจะจบสิ่งแล้วนะแต่ว่าหน้าที่ ความสามารขอพ่อนี่ยยังมีอยู่ต่อไปแล้วก็จะต้อง ส, สานต่อสู่บทอเพื่อประโยชน์สูตรของพวกเราแล้วก็เพื่อประโยชน์สูตรของลูกหลานของเราในอนาคตและเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมศสาสนาการที่พวกเรานะจะรรบจุปฏิภาชนะของพ่อใต้เส า, าสโศกอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายว่าพ่อนนเนื่องแน่ได้ยุทธชีวิตเพื่อธรรมะชีวิตท่านเนี่ยเป็นเสมือน ฐานรองรับสนับสนุนศาสนาเนื่องจาที่การจการเป็นส่วนบริการที่รองรับเสาโฉงเสาโฉงนี่หมายความว่าอย่างไรนะเสาโฉงนี่ก็เป็นเครื่องหมายที่พระเจ้าโฉงได้ได้กําหนดไว้นะเพื่อเป็นการปรฏิสฐานของศาสนาเป็นเครื่องหมายนะของการปรฏิสฐานของศาสนาซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระเจ้าโฉงเนี่ยนะจะตั้งเสาโฉนะ ตรงบริเวณที่สําคัญของพุทธศาสนา ก, ก็คือสถานที่พระเจ้าประสูตรอัลลอฮบริณฑิบานแล้วก็แสดงกับผมเทศสนาแล้วก็ที่ยังมีมากมายเพื่อเป็นเครื่องหมายของการปฏิสถานพุทธศาสนาได้มั่นคงพุทธศาสนามันคงได้เนี่ยในประเทอินเดียนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเพรา ะ, ะพระเจ้าโพดก็ว่าได้ก็คือสามอริยบุตรการถ้าไม่มีพระเจ้าโสดพุทศาสนาก็คงจะไม่ ปฏิสการแพร่หลายในประเทศอินเดียแล้วก็สืบต่อมาจนกระทั่งบ้านของเราซึ่งสมัยก่อนเรียกว่าสุวรรณภูมิพระเจ้าโสร่นี่เป็นผู้ที่เผยแผร่พุทธศาสนาไปทั่วอินเดียแล้วก็ไปประเทศอื่น เ, เช่นอังกาพมา่าแล้วก็รวมถึงไทยนะตั้งแต่นั้นก็สองพันสามร้อยปีที่แล้วแต่ว่าเฉพาะที่อินเดียท่านนั้นที่มีการปฏิสการชาสรุษเสริความตั้งมั่นขั่นค ง, งของพุทธศาสนาสนกแล้วก็นนทุกแห่งท่านก็ ที่ตัวเพื่อการตั้งมั่นในศาสนาริล้วก็ที่ท่านมาไต้หวานเตอนหล้งก็ขยายไปตอนหลังเขาแล้วก็ขยายไปอย่างประเทศอเายังอเมริกาหนึ่งทั่วประเทศแล้วก็ท่านก็ยังได้กไปสนแนสดงความในต่างประเทศอีกลาประเท ศ, รร เ, ทศเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาปฏิบัติปฏิบัติสิของพ่อไว้ใก้สองศูนย์แล้วก็ไปเพื่อ หมายถึงการที่ลวงพ่อนได้ที่ชี้เพื่อการิสถานทุกศาสนาขึ้นเพื่อความตั้มั่นและมโนแจ้งถีหลุดอมศาสนาธรรมใันก็ขอเราเมื่อเรามาที่นี่ในสายภายหน้าเราศรัทธากษาก็ให้เราเนี่ยใจเราเนี่ยน้องตนทำมาด้วยอย่ามาที่นี่เพื่อม า, าบุญาปสาา่เก่าต่อไปถ้าเกิดมีคนูเาสาเพื่อมา้าเบอร์นนะ ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากว่าวงพ่อางเขียนจะมีศิษย์แบบนี้ฉะนั้นก็ขอให้กเราได้เลยนะได้บอกอะไรเมว่อเมื่อวนาวันหลเมื่อเรามาที่นี่เราจะมาสักการะองค์ชาลุงพ่อเราจะมาเปิดใจของเราเพื่อให้เขาถึงธรรมเราจะที่เริญตาทำสองหลวงพ่อที่ปฏิสนาไว้ที่ใต้สาเก็นทุกคนทุกอย่างเป็นอะไรกับอะไรนะรู้สึซ่ออย่ามาพูดนะ กเรียยามอา่ผฐานคืออเบอร์หรือว่อ อ, อ, อความกันลงยแต่จะที่ผ่านก็ที่ผ่านว่าให้มีความเพียร ม, มีสิปัญญาเพืจได้เห็นธรรมเข้าถึจได้ได้าถึงพัเข้าึงเข้าได้เข้าถึอันนี้ดีกว่าที่ดีิงอันนี้ให้กบกลุ่มที่เราต้องทำกับกบกลุ่มสายเรืาา่องกระชากด้วันนี้เนี่ยเรควรจะมีกบกลุ่ส า, า, า, า, าเรื่องระชากเาะาควก็าอยากจะมีไว้ในครอบครองเพรว่านวาให้กสาเรือระชานไม่สองพันเลยนะ ถ้าว <perspective> ่าเรามีแล <keep> ้วเนี่ยใจเราไม่ถึงถ้าเรามีแล้วเรามองแต่ส่วนมโนท้อนนอนขออำนาจศักดิ์สิทธิปฏิบัติธรรมให้เราร่ำรวยอันนั้นก็ถือว่าเราเป็นพอคุณพิชาความหลงมโนหมายมากขึ้นเพราะเใช้การถ้าเราถือแบบนี้ก็จะมีมิตโแต่ถ้าเราบูชาเพื่อเรื่องถึงคำสอนของพระพ้าเมื่อเราได้แตงบ้านที่จะบเชียนมีท่านอิษฐานเปนที่หมายไม่ใชมีความร่ารวย มีควา ม, ม ย, ายิ่งใดมีชื่อเสียงเป็นที่หมายฉะนั้นเใยกรณีแมอเราควรจะปฏิ บ, บัติปปต่อความโปรสงใสและคาดและทูกต้องด้วยหรือเพื่อ ส, องส่งเสริมธรรมะในใจเพื่อเพิ่มภูมิวิชามาในใจเราไม่ใช่เพื่อพอบคุมความหลงเพิ่มภูมิที่ไร้ตังหาหรือว่าเสริมสร้างวิชาขึ้นมาในใจเราอันนี้ก็ไม่ทาให้เราหลงติดหลงทางมันก็ มาต่อทุกโบราณนะอนยากบอกทุกท่านที่ได้มาร่วมกันถวายการรับประทานมีอาหารเป็นต้นให้กับพระสงฆ์นะเพื่อจะได้ร่วมกั น, นมาประกอบพิธีในวันนี้ให้สําเร็จเสร็จสิ้นด้วยดีนะก็ท้ายสุดนี้ขออ้างคุณพระศิวธรรมไกลนะอำนวยอุปกรณ์ให้ทุกท่ทานได้เจรด้วยอายุวันนาสุขสาละเพื่อเป็นพระปัจจัยในการ เสริมเระพึ่งปฏิบัติธรรมให้เจริญห้องกลางใจเพื่อให้เกิดปัญญาพาจากในความทุกข์ก่อตัวความสุขเกษสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายสมกับความสั่งสอนของพ่อเพื่อกระตุ้นเือเรามาทั้งชีวิตให้คำสอนของหลวงพ่อทีได้สถิตในใจเราและเป็นเครื่องรักษาจิตให้ไกลจากความและเข้าถึงพระนิพพานด้วยการเทุกขะเพื่อ